สิขาบทวิพัง984คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าพิกษุนีมีอธิบายว่าชื่อว่าพิกสุนีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าพิกษุนีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าตั่งยาวพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงตั่งที่เกินขนาด ที่ชื่อว่าแท่นได้แก่แท่นที่ตกักด้วยขนสัตว์ที่ตนหามาคำว่าใช้คือนั่งหรือนอนบนต่างยาวหรือบนแท่นนั้นต้องอาบัติปายจิตี